ลูกลักของพ่อทุกคนขณะที่ฟังเสียงพ่ออยู่นี่ลูกอย่าฟังเพลินนะวเวลาฟังก็ต้องใช้สมาธิจิตศีล ส, สมาธิปัญญาต้องครบใช้กำลังญาณตามที่ลูกมีอยู่ใช้อนาคตาอตีตังสยานถอยหลังชาติในาดี ถ้าไม่มั่นใจก็จับจิตข้งตัวให้ฝ่องใสทูลถามโอส้อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระท่านเจ้าหรือว่ า, ห ร, วาหรือว่าท่านปู่ขอดูภาพนาดีตรัสภาพเป็นยังไงหลังจากนั้นมาปรากฏว่าพระเจ้าฟังกระไดก็ไม่สงสวยแต่ว่าก่อนการนั้น เด็กชายพรมและพรมโก ม, มารก็ส่งคนของตนเข้าไปเป็นทาสของขอมรับใช้ขอมด้วยคนที่ส่งเข้าไปเป็นคนที่มีความฉลาดและก็เป็นคนที่มีพิมือดีพร้อมที่จะเป็นหน่วยหลังทําลายชีวิตขอมและภาชนะและการเคลื่อนไหวของขอมในด้านนี้ก็ปรากฏเตรียมรบพร้อมเครื่องกระสัด ท, ทั้งหมด กราบทูลขอพระราชวินดาวนับตบั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปควรจะแต่งองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ชาวบ้านพอได้ฟังก็ชัยโยโห่ร้องพร้อมกันว่าคนแล้วพระโยค่าจะได้ไปบินเมี่งฝันเข้าไปชายชนอันหมายค่าได้บริพันคนทุกคนแต่งคาแบบเป็นทหารเป็นในหมวดในหมูใหม่ในกอ ง, กองเป็นแม่ทัพเป็นต้น เวลานี้ปรากฏว่าเขตคนไทยมีความรุ่งเรืองสวยสง่า ง, งามแต่งตัวด้วยเครื่องยานบันดาศักดิ์ที่เป็นอย่างนี้เพื่อเป็นการปลุกกำลังใจว่าไม่ใช่รบกันแบบท่าตือเอาขอทายเข้าไปตีกันเครื่องแต่งตัวเป็นการข่มฝันฆ่าสิกในเขตไทยทั้งหมดปร่กาศห้ามห้ามขอมเข้ามาเด็ดขาด ถ้าขอมคนไหนแยมเข้ามาในเขตไทยนั่นหมายทิ้งตายไทยพยาขอมเห็นว่าคนไทยไม่ส่งซวยหนึ่งปีสองปีแล้วก็สามปียินด้ส่งคนเข้ามาดูแลด่าเราไอ้เจ้าไทยนี้มันจะแข็งเมืองจริงๆหรือยังไงไอ้ปรการกดไลคคนของขอมนี่เข้ามาดูลาด่าเรา ก็เลยไม่เหลือแม่แต่งเงาชีวิตก็ไม่เหลือนี่ถี่ว่าขอมบุกไทยเราถือเป็นปฐมฤกษ์เอาชีวิตของขอมเป็นเดิมพันในเมื่อเราฆ่าโทษเขาก็โกรธแต่เราก็ไม่ต้องการกลัวเขาโกรธเราต้องการจะทําลายชีวิตเขาเป็นการข่มขวัญฉะนั้น คนที่เด็กชายพระมหาราชมาเป็นปีที่สามพระมายุได้สิบเก้าปีมายุได้สิบเก้าปีตอนนี้เองปรากฏว่าขอเตรียมทับทรัฐธรรมจิงไทยเราเตรียมทัพมาสามปีตั้งหมดตั้งหมูตั้งกองตั้งยุทธวิธีดอนดูยุทธวิธีการรบว่าถ้าเรารบเราจะรบที่ไหน เราอยู่แถวแม่สายล้วก็มารกกระดิสันสายเราจะตั้งทัพรับของที่นี่ในการรบกระจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นทัพปีกซ้ายปีกขวาทัพหน้าทัพหลังทัพหลวงตามที่กำลังคนจะมีอยู่รวบรวมคนที่มีกำลังจริงๆเวลานี้ก็ได้ประมาณสี่หมนคน แล้วก็ตั้งกองหล่นไว้คนที่แก่หน่อยเด็กนิดเอาไว้ช่วยกันทีหลังถ้ามีความจำเป็นนอกากนั้นเป็นหน่วยการเกษตรช่วยกันหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน่วยสเบียงนี่เรื่องใหญ่เตรียมพร้อมตั้งกองรบตั้งกองที่รายตั้งกองโจรสล้ดสองข้างทาง่อยจิงกองโจรสลนี่ไม่ตั้งเป็นโมู่ใหญ่แต่เขาใช้ทหารธนู มูลเก้าคนสิบคนอยู่ต้งเขาบ้างอยู่ต้งพุ่มไม้บ้างล้าเข้าไปด้านหลังจากแนวหนาว่าเป็นหน่วยที่เรียกว่ า, ามันก็ชาวนาน่ะเขาทำแบบนี้นะอาวุธวางไว้กับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันบ้างเป็นชาวไล่ไถนากันบ้างทำปลูกฝักบุกยากอะไรบ้างทำให้ข้าศึกไม่รู้ แต่ว่าหน่วยนี้ทั้งหมดพร้อมที่จะทำลายกำลังของข้าศึกโจมตีได้ค้างถ้าไม่ข้าศึกเพราะว่ากวนคิดว่ามีคนมากเอาลูกธนูมากเป็นธนูเพลิงบ้านธนูทำลายติอย่างนอบงบังเมื่อถึงปีที่สามเราไม่ส่งสวยไปแน่นนอนขอมาเตรียมทัพคนของเด็กชายพรม ถ้าผมกุมาก็ส่งข่าวไม่ทราบเมื่อเขาเตรียมทัพเราก็ยกทับยกทับไปตั้งรับที่สันทรายแต่ความจริงไม่ได้เตรียมรับเตรียมรุกลูกไปเชียงแสนลูกจะเห็นว่าเขากินว่าที่นี่สันทรายแถ น, นั้นนลูกรักทั้งหลายเป็นแนวที่เราตั้งรับคนก็เราอยู่ตั้งภาค พ, พื้นดินข้างล่างและอยู่บนยอดเขากลางเขา คนได้อยู่ที่สูงใช้ธ น, นูเป็นสำคัญมาตอนนี้พ่อก็ลืมพูดไปว่าพออายุทิบสองปีก็ปรากฏว่าคืนหนึ่งที่มีเทวดาเข้ามาเข้าฝันว่าวันพวกนี้ให้เป็นไปที่แม่น้ำโขงจะมีแามเพือสามเชือกพอพูดมาแล้วได้อย่างจำไม่ได้นะ ถ้าเจื่อหนึ่งจะปราบได้ทั่วทั้งเนี่ยทั้งทั้งทั้งหมดทั้งทัทั้งชมพูทวีปมนาะอาระวาดเป็นเจ้าโลกเชื้อที่สองปราบชมพูทวีปได้ประับเชื่อที่สามถ้าสามารถจะปราบของได้หมดเป็นอัลบาตางกําหนดที่เวลาที่ไปคอยช้างวมื่อพระพุทธเจ้าทูลพระราชวินาทราบ ว่าตอนกลางคืนเทวดามาบอกอย่างนั้นพระจุลนดาก็เชื่อมั่นในพระราชโอรสว่าพระราชโอรสที่มาเกิดนี้มาจากพรมเทวดาต้องประครับประคองจึงอนุญาตให้เป็นดักหลุก็ตอนสายแทนที่เห็นช้างลอยมาในแม่น้ำของกับกลายเป็นงห ง, งอนสีแดงขาวโปร่งงูใหญ่มาก ถ้าบอกว่าเชือกแรกถ้าเข้ามาได้จะปราบไปท่านโทษเป็นท่านไตรภพก็หมายถึงว่าเป็นเจ้าโลกแต่ เ, เด็กชายพรหมกระเพื่อนๆมองดูต้องการช่างกลายเป็นงูก็ปล่อยไปตัวที่สองรองลงมาก็เป็นงูอีกย่อมมานิดหนึง่งไปงอนที่แดง ก็นึกแปลกใจว่าเรามาคอยช้างเทวดาบอกว่าจะมีช้างกลายเป็นงูนี่ปล่อยผ่านไป็สองถ้าสามงูก็งูแล้วเอาแน่เป็นอันว่าตัวที่สามมันลอยมาก็เป็นงูตามเดิมในชายพรมจะมีบัญชารพชาติทั้งหมดว่างูหรือช้างไม่สําคัญเราต้องจับก็โผลลงไปในน้ําโดยกอดคอ ง, งูทันที โอตัวนั้นก็กลายเป็นช้างเผือกเดินทนน้ําน้ําก็เลยหลังกําลังไหลหลากที่นั่นยังมีน้ํามาบ้านควานทนแล้ววิญญาขับจะใสยังไงให้ช้างขึ้นใจน้ําช้างก็ไม่ยอมขึ้นยิ่งได้ให้สายชาติไปกราบทูลพระราชนิดาส่งทราบ พ, พระราชนิดาก็เรียกขนขนมาขนก็บอกว่าต้องใช้กับพังทอง เอากระพังทองไปตีล่ออย่างเดยขึ้นหโหนเขาก็เก่งแต่ความยิงกระพังทองไม่มีอยู่แล้วไม่ใช้ทาวันนั้นตามที่ประวัติศาสตร์ู้จะเขียนทําวันนั้นนทําไม่ทันล็อกกระถอยจะทํา ท, ำทำันได้ถ้าเตียนอยู่้ให้สัง่งให้พระเจ้าแม่ทมําไปแล้วพระเจ้าแม่ของโนทําไว้จึงได้ให้คนแต่งกายสวยสดเงามทิ้นดอกไม้ทุบเทียนเครื่องสกาวบรามิต จัดเป็นขบวนลงไปไปถึงกราบไหว้เชิญพยาโคจิตสารขึ้นช่วยคนไทยแล้วตีกับพังทองช้างก็เดินตามกับพังทองก็มาล่อนเองเดินตามมาแบบสบายสบายพอมาถึงบ้านก็เกิดมามาถึงที่อยู่ก็ทำขวัญช้างมีบรรดาประชาชนหลายข่าวไม่ยาก พ่าจากเสียงคนนี่ไปไกลว่าเวลานี้ฟงกุ ม, มารได้ช้างปลืกไกแท้วเป็นช้างเผือกเขาโผล่แต่ตัวระยับคล้ายแก้วประดับตัวสวยสดงดงามมากจึงได้ทําร่างแหะใส่หน้าช้างแล้วก็ทําอะไรต่ออะไรเยอะๆต่อมาเมื่อได้ช้างมาแล้วขณะที่ช้างตัวนี้ปล่อยเข้าในป่าไม่มีการใส่ปลอกไปสารภาพ ใช่รังที่เดียวน้ำลบ บ, บจะกินหญ้า ก, ก็รางทองคำเข้าไปในป่าสัตว์ ร, ร้ายยอมราบคาบแก้วกลัวช้านี้ทั้งหมดตอนนี้เมื่อกลวช้านี้ทั้งหมดแต่ปลายก็มีชา้างอีกเป็นจนํานวนมากเข้ามาร่วมฝูงด้วยโดยไม่ต้องไปต่อชา้างไม่ต้องไปดึงชา้ชางช้างเข้ามาเป็นส า, าติ์ชั้นเป็นเป็นเรียกว่า เ, เ, เป็นร่วม ขอให้ชาติตัวนี้ไปหัวหน้าตามเข้ามาในเวียงเป็นอนว่าทุกคนดีใจมากมีชางแล้วก็มีมา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมา้าชาญในก็มีเยอะการจะฝึกเจะบริชาในการนับก็รู้สึกว่าทำง่า ย, ายพูดภาษาคนพูดแบบไหนทำแบบนั้น แล้วก็มีความฉลาดดีไม่ดีก็ฝึกคนันด้วยช่วยคนมีความฉลาดนี่เป็นอันว่าการยกทัพไปคราวนั้นก็มีแช่พลายใบไก่แก้วซึ่งเหล็กชายพรมนรพลกร ม, กร ม, มาณเป็นคนระทับทรงเครื่องเป็นแม่ทัพใหญ่แต่งตัวสง่าผ่าเผย สำหรับพระราชวินัยถ้าเป็นหลังช่างช่างหนึ่งมีสเสวยกระชายกันเป็นจอมทัพแล้วมีแม่ทัพไยกองแต่งตัวสวยๆเรื่องเื่อสวยนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ฟงกุ ม, มันกราบทูลพระราชวิดัยดับพระราชมรรดาวรนครบทุกคนจะต้องแต่งตัวสวยความแต่งตัวสวยเป็นกันเขาเรียกว่าตัดไม้ข่มนม้ำ เป็นการข่มกำลังใจกัปในตัวเสร็จไม่ใช่ว่าเขาแต่งตัวสยวยเขาพวกเรากะจอกออกออไมีมีเกราะเงินมีเกราะทองตามตำแหน่งพนทหารทั้งหมดก็ใช้เกราะเงินแกมทองคลิปทองนายทหารก็ใช้เกราะทองแม่ทัพใช้เกราะทองประดับเพชร มันมีความสง่าผ่าเผยเรื่องการแต่งตัวสวยเนี่ยเป็นการให้ค่าสิทธ์แท่นครามเป็นจิตวิยาหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีการรบเราก็อยอมพร้อมรับแล้วก็พร้อมรบเจ้แปลงตัวสวยโจโฉถ้าพร้อมพอคอมยกทัพมาตามธรรมดาก่อนทัพเขาต้องตั้งค่ายประจันหน้ากันเมื่อตั้งค่ายประจันหน้ากันแล้วทีจ่จะเจนจา ปุยกันก่อนแล้วก็ตีกันกำลังของข้าศึกที่ยกมาเวลานั้นกำลังมากกว่าประมาณสี่เท่าดูกองทัพุ้งไทยเราก็จ้อยรอยนิดเดียวแต่แม่ทัพยิ้มแล้วลูกน้องทัพสองร้อยห้าสิบคนยิ้มนำกลุมชี้ให้ดูว่าพวกนี้ไม่มีชีวิต ถ้เป็นการปกใจกันบอกเจ้าพวกของพวกที่มานี่มันเป็นผีทั้งหมดมันจะมีชีวิตจะไม่ได้นี่ดูที่ว่าเครื่องแต่งกายมันก็สู่เราไม่ได้มันเป็นอสุรกายแท้ๆแล้วมาอย่างต้องเกงกันแต่ของเราไม่มีการเกงดํ้เรามาด้วยกำลังใจการจะรบแพ้หรือชนะมันอยู่ที่กำลังใจเป็นสำคัญ แล้วก็เรามีความสามารถขี่กันมีความหวังดีกันเนี่ยลกหลานที่รักการที่เราจะชนะกันจะมีการอยู่ร่วมกันด้วยดีก็อาศัยการชนะกำลังใจไปสํสำคัญถ้าหากว่าเราไม่สามารถชนะใจได้ล้วก็ชนะแต่แรงกายมันไม่ชนะจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ด้วยกันในโลกรักต้องมีความสามัคคีกัน <c oughs> <c oughs> เป็นว่าขาบวนการของเรานี่จะเรียกว่าขาบวนการเลือกกลุ่มของเราก็ได้เวลานี้เต็มไปด้วยอันตรายเขาใช้วิธีการหลายแบบที่จะให้ทําให้พวกเราแตกกันก็ใช้ยอยู่และนอกจากนั้นเขาก็ใช้กําลัง ที่จะประหัดประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพ่อเมืเ่อราการในสองกันลูกเอิญดารลูกทุกคนต้อง ร, อระวังเขาจะหาทางบ่อนกําลังใจจะทําอันตรายกับพานะของเราพ <c oughs> านะของเราที่ขึ้นไปถ้าบังเอิญไปหกล้มจมค่ําเ ม, มรัยสองสามคราวคนก็ไม่ไว้วางใจในพ่อเขาคุ้มครองไม่ได้เขาจะทาให้กลุ่มเราแตกกัน เมื่อความแตกสามาัคคีเกิดขึ้นความมั่นคงของชาติมันก็หมดไปจะคิดว่าคนกลุ่มเรามีม่กี่คนมีความสําคัญยังไงจะลืมว่าคนทุกคนแต่และกลุ่มละกลุ่มกลุ่มเล็กๆถ้ารวมกันเข้าเป็นหลายละกลุ่มมันก็เป็นกลุ่มใหญ่ดูแต่ไม้เรียวหนามแล้วไม้ขิดตอกถ้าแบ่งเป็นชิ้นๆทีละอันลอันมันก็หักง่าย แต่โรงมเข้ามาเป็นกลุ่มเก้าอันสิบอันมันก็หักยากแต่ไไม้เป็นกลุ่มกลุ่มเก้าอันสิบอันถ้ามันมีหลายๆกลุ่มกําลังของชาติเขเต็มไปด้วยความสามัคคีเต็มไปด้วยความมั่นคงนักกาจงอย่าคิดว่าชาติเนี่ยจะต้องใช้แต่เฉพาะกาลังทหารคําว่าทหารก็คือคนไทยทุกคนเป็นทหาร แต่พ่ออยากจะให้กติเตือนใจเพราะเวลานี้ที่พ่อพูดนี่มันเป็นวันที่อ่เป็นวันที่ยี่ยี่สิบกุมภาพันสองพันห้ารอยี่สิบยี่ิบสองเป็นเวลาที่เขาหาเสียงเลือกโูตั้งเรีตั้งผู้แทนผู้แทนคนไหนดีคนไหนไม่ดีดูไม่ยากหรอกลูก คนที่จะมาเป็นผู้นำของเราเป็นตัวแทนของเราเนะี่ยลูกจงมองดูตัวขอลูกว่าลูกต้องการให้คนอื่นเห็นว่าลูกเลวแล้วว่าลูกดีผู้แทนของเราถ้าเขาทำดีก็หมายถือว่าพวกเราดีเขาจะเห็นว่าพวกเรานี่เป็นคนดีสามารถเลืกอกความคนดีเข้าไปได้ ถ้าเราเป็นคนเลวเราก็จะเลือกคนเลวเข้าไปได้ดีหรือเลวเรามองดูกันตรงไหนความดีหรือความเลวเนี่ยก็ดูกันที่จริยาขึ้นหนึ่งทางการให้จะไปที่ไหนก็ตามต้องดูเสืประวัติเสียก่อนว่าคนจะเป็นผู้แทนของเราเนี่ย เคยมีจิตกว้างขวางอบอ้อมอารีเมตตาปราณีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือเปล่าถ้ามีไหม <c oughs> ยามปกติเราเคยเห็นหน้าเขาบ้างไหมหรือว่าเขาทำงานส่วนใดเป็นสาธารณประโยชน์บ้างได้หรือ ว, ว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่พอ ก, ก็พื่อจะมาดีเมื่อตอนเป็นผู้แทนเนี่ยเจอหน้าใครก็ไหว คนประเภทนี้ยันเลือกคำเไ ล, ลีลูกถ้าเลือกมาสแสดงว่าเราทั้งพวกเลวทั้งหมดแล้วว่าคนเป็นคนโง่ทั้งหมดพอเพียง้ยนเขาจะต้มง่ายๆแบบนี้เราก็โอเคกับเขาแล้วเนี่ยแล้วกิงแค่เขาก็หกเพียงเท่านี้แล้วก็เชื่อว่าเขาดีในเมื่อเขาไม่ดีแล้วไม่เคยหน้าเขาขาดการส่งเคราะห์เครื่องอะไรกันมันเป็นคนไม่ดี เราเลือกเขาเข้าไปก็สนแสดงว่าเรานะ่ะเป็นคนไม่ดีและมาบริการที่สองพิยวาจาเวลาจะเลือกคนที่เป็นผู้แทนเข้าไปเราจะต้องคิดวาจาที่เขากล่าวทุกถ้อยคำนะ่ะเป็นวาจาของเรานี่เท่าที่สังเกตดูก็ดูอย่างนี้เวลาเขาเลือกเขาพูดด้วยเหตุให้ผล ไม่ใส่ร้ายายสีซึ่งกันและกันไม่ทาไม่เรียกว่าไม่ให้ร้ายสิ่งใครไม่ใมร้ายใครใครจะดีใครเขาจะชั่วเขาไม่พูดถึงเขาพูดถึงได้เหตุผลอย่างเดียวว่าทำอะไรมาถึงจะดีนี่คนที่เป็นผู้ไทยไม่ใช่เปนนั่งฟังดา่าแต่คนชอบด่าแล้วก็จะเลือกเขาไป แล้วเลือกคนชอบด่าเข้าไปเขาจะหาว่าเรานี่เป็นคนเลวคนได้วาจาด่าเป็นวาจาที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีก็หนึ่งวาจาโกหกโมเถิดสองวาจาหยาบสามสอเสียดยุะเย้ส่งเสริมให้เ้าแตกกันห้าพูดไร้สาระไร้ประโยชน์แคสี่พูดสาระไร้สี่ไปได้สาระได้ประโยชน์ นี้คนที่เราจะเลือกเขาให้เป็นเขาเป็นผู้แทนเนะก็ต้องดูเดี๋ยววาจาเขาเคเราะไหมพูดขึ้นมาเสียดสีใครว่าเปล่าด่าใครบ้างว่าใครบ้างคนประเภทนี้อย่าเลือกเขาไปเลยเพราะเป็นคนเลวมีวาจาเลวก็สแสดงว่าใจของเขาเป็นคนเลว เข้าไปก็เพราะการเลือกผู้แทนในผู้แทนเราต้องการผู้แทนสร้างความสามารถขีไม่ใช่ผู้แทนแต่ความสามารถขีจะต้องเอาดีก็ได้เหตุดได้ผลไม่ใช่เอาดีด้วยการด่า ก, กันคนไทยเรามักจะชอบฟังดา่าแต่พ่อก็ไม่ได้ดูถูกทุกคนทุกคนคนทุกคนเขามีปัญญาเราดูความสามารถดูใจอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัวถ้าบุคคลที่เห็นแก่ตัวจะเลือกเข้าไปในโ ล, ลกเขารวยก็มาเยอะแล้วถ้าเราไปฟังแล้วหาคนดีไม่ได้เราก็ต่างคนต่างไม่เลือกมาซะเลยถ้าเราจะเอาคนเลวเข้าไปเป็นเพื่อนแทงของเราอย่าเข้าไปถ้าถามว่าไม่เลือกก็จะเป็นการนอนหลับทับศิลความจริงเราไม่เลือกซะเลยน่นเราดีถ้าหาว่าเราไม่ได้คนดี เลือกเข้าไปได้คนเลวหนึ่งเงินขชาติต้องเสียไปเงินของชาติก็ได้จะอยากเงื่อนแรงงานของเราเราไปจ้างคนเลวให้เขาไปทําความเลวแทนเราในสภานอกจากนั้นเขายังจะสร้างความเลวเถือพิสิทธ์ต่างๆคนใดถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเลือกเข้าไปในโลก คนประเภทนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะแทนเราเราเคยเห็นไหมผู้รัฐมนตรีที่เป็นผู้แทนเเข้าไปสร้างความยุ่งยากให้เกิดในเวลานี้แล้วมีหรืเปลา่าแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกว่าคนที่เป็นผู้แทนนั้นไม่ดีไปทุกคนหมายความนี่พ่อหมายความให้เลือกคนดีเข้าไป นั่นมาเลือกคนดีเขาเ้าไปแล้วก็เสกเกตไว้ด้านในอดีตใครอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเลือกเข้าไปเลยแม้ว่าอยากเป็นนายกก็อย่าเลือกเข้าไปแต่อยู่ๆเฉยๆเขาไม่เชิญไปเป็นรัฐมนตรีเขาเชิญเป็นนายกคนนี้คนแล้วก็ดูการบริหารในอดีตของนออดีตขงเขาด้วยว่าเขาเคยทําดีและเคยทําชั่วใครเคยทําชาติให้บรรลัยมาบ้าง เคยใครเคยทำชาติให้ดีขึ้นมาบ้างนก็หณะที่โดยมากเราก็จะเจอผู้แทนหน้าเาก่าๆเป็นของไม่ยากถ้าบังเอิญจะเป็นผู้แทนหน้าใหม่แล้วก็ต้องดูกำลังใจว่าเขาเคยมีความอบอ้อมอารีไหมมีการเลือกผู้แทนเป็นอย่างนี้นะลูกนะอย่าลืมว่าเลือกส่งเด็กเขาถือว่ายาน้อนหลับทับสิบ แต่ถ้าเราเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่ควรจะให้อาใช้สิทธิ์ของเราไปเอาคนไม่ดีมาเป็นผู้แทนเราเขาจะเข้ามาเก่งฆ่าเราดีไม่ดีมีสมัยหนึ่งเรือนอบรขอวิ่งกั้นแม่น้ำองสรวดอาวุธที่ผ่านมามีครั้งหนึ่งพ่อไม่ทราบว่าเป็นคาสั่งของใครห้ามเรือนอบรขอวิ่งเจ็ดวัน ปรากฏว่ามา่ก่อนนี้ผู้ก่อการร้ามีอาวุธน้อยคนหนึ่งและสองสามคนจะมีปืนหนึ่งกระบอกเพื่อนเรานะขอไม่ตรวจลราไม่นาขอมเพียงเจ็ดวันผู้ก่อการร้ามีอาวุธปืนคนละสามกระบอกนี่เป็นการเปิดช่องทางให้เข้ามาทําลายชาติก็สแสดงว่าเขารับจ้างจากใครมาคนใดคนหนึ่งแล้วก็ประการที่สองความปั่นป่วนของชาติ ความไม่มีระเบียบวินัยความไม่มีระเบียบวินัยในชาติเนี่ยไม่เกิดจากใครมันมีอยู่สองสามสมัยเด็กโตกับผู้ใหญ่เจ้าด่าใครก็ได้ทำลายใครก็ได้เป็นว่าชาติที่เป็นมิตรจะคิดประทุษร้ายทำลายเขาเสียเ่ยวรถทงเขาเสียเรือฟรีเกตจะนำอาวุธให้มาเข้ามาประเทศไทยมีค่านับเป็นพันล้าน ซึ่งเราจะไม่ต้องจ่ายไปเยี่ยวรถธงเขาเข้าปรากฏว่าเขาได้เบนหัวไปให้สิงโคโปร์นี่เงินของเราก็จะไม่มีอยู่แล้วไปทำแบบนั้นมันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะให้คนมาเป็นรัฐบาล น, นี่จะต้องเป็นคนที่มีความมีมันสมองยาวๆเห็นความดีของชาติเห็นความดีของประชาชนแสดงความเป็นมิตรอรอบๆประเทศ เราจะถือว่าเขาเปรตทิต่างกับพวกเรามันไม่สําคัญเรื่องรัตทีนั้นมันเป็นตัวนอนเสือสแต่ความดีไม่ดีมันอยู่ที่จิตใจเขาบุคคลนี่เป็นนั้นว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ใกล้จะเลือกผู้แทนนสัสเซนดอนแต่วก็าถามว่าจะเลือกใครก็ต้องบอกดูก่อนดูประวัยก่อนถ้าหากว่าเห็นว่าไม่สมควรก็ไม่ไปเลือกเสียเลยในเคของเราก็าไม่ต้องมีผู้แทน ถ้ามีใครดีพูดดีเวลาที่เขาพูดไม่โจมตีใครสแสดงเหตุสแสดงผลและก็มีประวัติดีคำประวัติดีมีความอบอ้อมอารีแต่บคุคคลทั้งหลายก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนนานแสนนานดูไว้ก่อนถ้าบังเอิญเราไม่สามารถจะรู้ประวัติดได้ก็ดูลีลาในการพูดพูดที่แจงเหตุที่แจงผล พูดเพื่อความสามัคคีเพื่อคงอยู่ใครจด่าจะว่าก็ไม่กระทบกระเทือนทําใจส บ, สสบายๆถ้าถามว่าเขาด่าท่านทันว่าอย่างไรเขาบอกว่าตามใจผมห้ามคําด่าไม่ได้นาทีโลกเกอนินิตโตคนไม่ถูกด่าว่าเนินทาไม่มีเนินโลกก็เป็นธรรมดานะผมเข้ามาในหนึ่งผมไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีสองผมไม่ต้องการเป็นลายเดขาหนุ่การ ผมต้องการเป็นผู้แทนคอนประชาชนฝ่ายเดียวนี่นก็ดูการลงทุนเขาไม่เลี้ยงเหล่าเมายาใครต่อใครพูดให้เหตุในผลถือว่าได้ก่ได้ไม่ได้ก่อนแล้วไปถ้าคนที่เลี้ยงเล่าเมายาคนที่ลงทุนมากเขาต้องการกาไรลกรักคนเราถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ย่อมเพิ่งไปเชื่อว่าเขาดี ยิ่งมีกิเลสแล้วก็นํากิเลสมาใช้ในเวลาหาเสียงก็ยังเลวขึ้นไปใหญ่เอาเรื่องเขาก็าจะยธมเลยไม่ไปถึงไหนก็มาจอดกันอยู่แค่เรื่องเขาพูดแทนรัศดรแต่เบียงไม่จบนั่งงวดข้างหน้าพอจะเล่าถึงผู้แทนที่มีสักคนหนึ่งให้ลูกฟังทั้งนี้ได้เป็นประโยชน์สําหรับโรคสำหรับหน้าในี่เท่าก็หมดแล้วก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้นะฟังงวดหน้ากันต่อไป